สสังฆเททะสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการไม่สละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยแก่ภิกษุผู้ทำลายสง์ให้แตกกันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัต ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเทวทัตพยายามเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงกันในสังฆเพทะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตละ